5 4 3 2 1 ในช่วงคุยกันธรรมะวันนี้ความประสบความสําเร็จอยู่ในสัปดาห์นี้เราพูดกันตั้งแต่เมื่อวานเราพูดบ้างใช่มั้ยจะทําหรือทําไงให้จิตใจของเราไม่ ชีวิตประจําวันได้อย่างไรผมไม่ใช่พูดถึงหมวดตามมัน 1 ที่ เพื่อความเป็นสุขในปัจจุบันเพื่ออย 4 อย่างนะ 4 ประการนี้อันดับแรกเนี่ยก็คือความขยันในภาษาบาลีเขาใช้ว่าอุตถาน เป็นพ่อค้าก็ดีพ่อค้าก็ดีเป็นคนเลี้ยงโคก็หรือว่าการคํานวณหรือว่าศิลปะอย่างใดอย่าง หรือยังคนที่เค้าทําอาชีพใดๆอย่างนักคอมพิวเตอร์นั่นนี่คือความเชี่ยวชาญแล้วก็ไม่เกียจคร้านบอกว่าจะทําโอ้เดี๋ยว หรือว่ามีข้ออ้างต่างๆว่ามีข้ออ้างต่างๆนั้นน่ะอ่อตอนนี้ยังเจ็บอยู่ตอนนี้ยังเพิ่งหายจากไข้ๆยังทําไม่ได้ แล้วผู้ชาวบอกว่าสามารถกระทํากระทําหรือว่าสามารถ คือพโฆษศัพท์ที่ได้มาเนี่ยต้องเป็นพโฆษศัพท์ที่ได้มาโดยทํามันก่อน เอ่อเราขยันกันแข่งในหน้าที่การงานอย่างดีได้ซับมานั้นได้ เอ่อถึงคราวเราพูดโอ้โหเหงื่อแตกเต็มหลัง อ่าการที่ไม่ถูกโจรปล้นต่อไปและบางทีเราจะต้องใช้จ่ายซับในการที่ หรือว่าคุ้มครองยังไงที่จะไม่ให้น้ํามันด้วย บางทีต้องจ่ายค่าประกันนะเพื่อถมไหนเป็นดอนหรือบางทีต้องจ่ายค่า สกุลใดสกุลหนึ่งเนี่ยถ้ามีแกะดําเกิดขึ้น ทีมชาบอกว่าจะทําให้ 4 อย่างของเขาจะเป็นคนแก่ก็ได้เป็นคนหนุ่มก็ได้เขานะจะอยอย 4 อย่างนี้เนี่ย คนที่มีความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าในปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้นใน 2 คือเป็นคนที่มีศีลและเป็นคนที่มีความปกติในการ นะถ้าเราเจอคนแบบนี้เป็นคนที่มีศีลเรารีบคบไปเลยนะข้อที่ 3 ที่จะดูว่าคนไหนเป็นคนดีควรคบจะ ได้ที่เรียกว่าเอ่อมีฝ่ามือชุ่มอยู่เสมอก็ได้แล้วข้อที่ 4 ก็คือเป็นคนอย่างนั้น นะแค่นี้เองปัญญาตรงนี้คือบางคนเนี่ยไม่ได้อะไรแต่ว่ามีเอ่อเค้าเรียกว่าๆคนเราเห็นกันอยู่นะไม่ได้จบแม้ปริญญา ก็เป็นคนมีศีลมีปัญญารู้ว่าอะไรควรเลี่ยงอะไรควรทําอันนี้เราก็คบก็ได้นั่นก็ 4 อย่างนี้นะศรัทธาศีลจาคะ 6 คนใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาหรือว่าใน 1 สัปดาห์คุณ 6 คนแรกคน น่ะไล่มาคนนี้มาที่สุดคนต่อมาเป็นคนนี้ 6 คนแรกของคุณใน คน, 6 คนเนี้ย 6 อันดับแรกเนี่ย 10 น่ะ แล้วคนนี้มีศรัทธาเท่าไหร่คนนี้มีศีลเท่าไหร่เราดูถ้าเผื่อว่าเราคบเพื่อนที่มีเอ่อคุณธรรมเหล่านี้น้อยเนี่ยตัวเราเองก็จะแย่นะจะไม่ประสบความสําเร็จเราจะไปอีกทางนึง 4 ที่ ชีวิตขอประสบความสําเร็จประสบความสุขในปัจจุบันเนี่ยนั่นคือการที่รู้จักใช้จ่ายทรัพย์อย่างพอสมควรรายได้กับรายจ่ายนะเราต้องรู้จักทํารายได้กับรายจ่ายเนี่ยให้มันเอ่อสอดคล้อง รายรับที่คุณรับมาเนี่ยบางคนไม่รู้ด้วยๆจนถึงหน่วยหลักหน่วยหลักสตางค์เนี่ยมันเท่าไหร่บอกคร่าวๆได้ว่าเออฉันมีค่าใช้เป๊ะๆมันเท่าไหร่กันแน่แล้วๆที่คุณๆผ่านเข้ามา คนที่มีผลิตภัณฑ์อะไรออกใหม่ๆออกมาอยากจะซื้อควักเงินซื้อโดยไม่ได้คิดว่าจะมีรายจ่ายเท่าไหร่เพราะ แต่สําเร็จความเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยเนี่ยอันนี้ที่เรียกว่า ถ้าเรารู้จัก 4 ข้อนี้นะซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะ 4 อย่างนี้อย่างชัด 2 คือ นะรู้จัก นะ, 3 เราต้องมี นะ, 4 เนี่ยเราต้องรู้จักการใช้ชีวิต